ส, สัมผัสสยองเรื่องที่จะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีพศ2555ครอบครัวของผมเป็นคนขอนแก่นมีกันทั้งหมด4คนคือพ่อแม่ผมและน้องชายวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานของพ่อชวนพ่อไปดูดวงกับพระองค์หนึ่ง ซึ่งท่านทักเป็นทักตายแม่นมากวัดที่ไปนั้นอยู่ในอเภอน้ําพองจังหวัดขอนแกน่นเมื่อพ่อเข้าไปดูดวงพระท่านได้ทักว่าจะมีลูกตายหนึ่งคนพ่อก็ตกใจมากกลับมาเล่าให้แม่ฟังอทิตย์ต่อมาพ่อและแม่จึงพาผมกับน้องไปดูดวงกับพระท่านเมื่อได้เจอพระท่านก็ทักผมว่าผมจะตายโหง แม่ได้ยินก็ไม่สบายใจเลยถามท่านว่าจะมีวิธีแก้ได้ยังไงบ้างพระท่านบอกว่าให้ทำพิธีสวดเป็นสวดตายโดยให้ผมนอนลงแล้วเอาผ้ามาคลุมให้เหมือนคนตายจากนั้นก็ให้พระสวดทำพิธีให้หลังจากเสร็จพิธีสีหน้าแม่ก็ดูสบายใจขึ้นแล้วแม่ก็พาผมไปวัดจีนในอำเภอเมืองที่ผมอยู่ เพื่อทำพิธีแก้ปีชงผมก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แม่สบายใจเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมน้องชายของผมก็มีอาการไอไม่หยุดอยู่เป็นเดือนเมื่อไม่มีทีท่าว่าจะหายแม่กับผมจึงพาน้องไปหาหมอระหว่างที่รอผลตรวจป้าของผมซึ่งทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นก็มากระซิบกับแม่ว่า โรคเกี่ยวกับปอดที่อาการเบาที่สุดคือวันณโรเพราะผลตรวจออกมาหมอก็บอกว่าน้องป่วยเป็นวันาโรคแม่ก็เลยโล่งอกอย่างน้อยก็เป็นโรคที่อาการเบาที่สุดแล้วน้องชายของผมนอนโรงพยาบาลได้สามวันอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยหมอจึงให้จอดเลือดมาตรวจใหม่ผลปรากฏว่าน้องชายของผม เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโอกาสรอดมีแค่ 10% เปอร์เซน์แม่ผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารน้องเพราะโดยปกติแล้วน้องของผมจะไม่สูบบุหรี่มีดื่มบ้างแต่ก็ไม่หนักไม่น่าจะเป็นโรคร้ายขนาดนี้สักพักพ่อแม่เริ่มสงบจึงไปล้างหน้าล้างตาแล้วเดินกลับไปหาน้อง น้องชายถามแม่ว่าแม่ผมป่วยเป็นอะไรแม่เลยบอกว่าปอดบวมธรรมดาเพราะไม่อยากบอกความจริงให้น้องเครียดและกลัวว่าอาการของน้องจะสุดลงอีกจากนั้นพวกเราก็พาน้องกลับมาที่บ้านแม่ดูแลรักษาน้องอย่างดีแต่อาการก็สุดลงทุกวันจนกระทั่งปี2556 ายเดือนกุมภาพันเวลาเที่ยงคืนน้องมีอาการเหมือนจะหายใจไม่ออกแม่รีบมาเคาะประตูห้องผมเรียกให้ไปดูน้องเพราะผมเห็นน้องอาการไม่ดีผมก็รีบวิ่งไปตามป้าที่เป็นพยาบาลซึ่งบ้านอยู่ติดติดกันระหว่างที่ผมไปเรียกป้านั้นผมได้ยินเสียงนกแสกบินวนเหนือหลังคาบ้าน แต่ตอนนั้นผมก็ไม่สนใจอะไรเพราะต้องรีบไปหาป้าหลังจะเรียกป้าแล้วป้ากับลุงก็มาดูอาการจากนั้นก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับน้องกว่ารถพยาบาลจะมารับและไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณตีสองแล้วทั้งพ่อแม่และผมตามไปที่โรงพยาบาลอย่างกระวนกระวายใจ แล้วเวลาห้าโมงเย็นของวันต่อมาน้องชายของผมก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับทั้งทั้งที่อายุเพียง19ปีเท่านั้นญาติญาติได้คุยกันว่าควรฝากร่างน้องกับโรงพยาบาลก่อนถ้านำร่างออกมาตอนนี้คงเตรียมตัวไม่ทันคืนนั้นแม่ได้ตั้งกับข้าวไว้ชุดหนึ่งที่นาบ้านพร้อมจุดธูปหนึ่งดอกไม่นานนัก ผมก็ได้ยินเสียงช้อนกระแทกกับถ้วยจานเสียงดังมากมันคล้ายกับเสียงของคนหิวโซมานั่งกินข้าววันต่อมาหลังจากที่นำร่างน้องมาทิวัดและรดน้ำศพเสร็จแล้วญาติญาติก็คุยกันว่าไม่ต้องให้ใครเฝ้าลงศพก็ได้ให้จ้างสเปเหร่อตอทูปเอาผมก็บอกไปว่าถ้าไม่มีใครเฝ้า ผมเฝ้าเองคนเดียวก็ได้ยังไงคนที่นอนในนั้นก็คือน้องชายของผมหลังจากสวดเสร็จแขกในงานกลับกันหมดแล้วแม่ก็เลยถามผมว่าแกจะอยู่ดูน้องใช่ไหมผมเลยตอบว่าใช่ครับแม่เลยบอกว่างั้นก็ตามใจดูแลตัวเองด้วยนะหลังจากทุกคนกลับไปแล้วผมก็ไปขออนุญาตพระในวัดว่าขอดื่ม เพราะเฝ้าอยู่คนเดียวแล้วผมก็มานั่งดื่มเงียบๆโดยเอาขาพาดไว้ที่เก้าอี้ตัวข้างๆส่วนเก้าอี้อีกตัวไกลๆไม่มีคนนั่งสักพักผมก็เห็นสั ป, ปรเร่อเดินมาแล้วเขาก็มองมาที่ผมมองแล้วมองอีกผมก็เลยเรียกให้มาดื่มด้วยกันดื่มด้วยกันไหมครับลุงแต่สั ป, ปรเร่อบอกว่าไม่ดื่มครับ แล้วแกก็นั่งมองผมอย่างนั้นทั้งคืนคืนต่อมาผมก็เฝ้าอยู่ที่งานศพน้องเหมือนเดิมแต่คืนนี้มีน้องผู้หญิงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมาอยู่ด้วยด้วยความเพลียและเหนื่อยในการช่วยงานศพคืนนี้ผมจึงไม่ดื่มแล้วก็พล่อยหลับไปพอวันต่อมาผมก็ตื่นมาเตรียมงาน จนถึงตอนที่จะต้องล้างหน้าน้องชายก่อนนำไปเผาผมบอกกับน้องว่าชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ยังเป็นน้องกูถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะแล้วผมก็ล้างหน้าให้น้องด้วยน้ำมะพร้าวหลังจากเสร็จงานลูกพี่ลูกน้องคนที่อยู่ด้วยกันกับผมในคืนสุดท้ายได้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่ผมหลับไประหว่างนั้นน้องสาวผมเธอก็เข้าไปพูดคุยกับซับเปอร์เร่ซับเบอร์ร่อบอกว่าตอนที่เห็นผมนั่งดื่มในคืนแรกน้องชายของผมเขาก็นั่งข้างๆตอนผมนอนน้องชายก็มาอยู่ด้วยข้างๆตลอดไม่ไปไหนผมเลยนึกย้อนกลับไปว่ามีหน้าซับปปเบอร์ร่คนนั้นมองผมแปลกๆตลอดเวลา ได้ความที่แม่เสียใจมากแม่เลยไปอยู่กับพ่อเพราะทำใจไม่ได้ส่วนผมก็อยู่บ้านหลังเดิมคนเดียวผ่านมาหลายคืนขณะที่ผมนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงไอผมคิดว่าอาจจะหูแว่วไปเองคืนต่อมาหลังจากผมอาบน้ําเสร็จก็เดินออกจากห้องน้ําผมเห็นน้องมายืนอยู่ตรงหน้า ผมได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกจึงหลับตาแล้วคิดในใจว่าทำไมเราไม่ลองคุยกับน้องดูแต่พอผมลืมตาขึ้นมาอีกทีน้องก็ยิ้มแล้วก็ค่อยๆหายไปผัดไปอีกหลายวันคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงเคาะตรงหน้าต่างเมื่อไปดูก็ไม่เห็นมีใครพอเดินกลับมาเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก มันดังอยู่อย่างนั้นทั้งคืนแต่ผมไม่รู้สึกกลัวด้วยที่คิดว่าต้องเป็นน้องชายตัวเองแน่ๆเพราะขณะที่น้องผมยังมีชีวิตอยู่เขามักจะมายืนตรงหน้าต่างค้อร้องเรียกผมให้เปิดประตู ต, ตอนที่กลับบ้านดึกและหลังจากคืนนั้นก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเกือบทุกคืนมันทำให้ผมรู้สึกได้ว่า ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาผ่านไปอีกไม่นานน้องก็ไปเข้าฝันแม่บอกว่าจะต้องเดินทางไกลขอลาแม่ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นน้องอีกเลยถึงแม้น้องผมจะจากไปแล้วแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังรักและคิดถึงน้องอยู่เสมอทุกครั้งที่ทำบุญ ก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้น้องชายของผมตลอดหวังว่าน้องจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปสู่สุขติเพราะไม่ต้องทนทรมานกับโรคร้ายนี้อีกแล้ว See y o